มาดูในข้อ452นะอภินัยยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ธ, ธรรมที่ควรรู้ยิ่งนี้ได้แก่อภิ พ, พาัตนะแปดอภิ พ, พาัตนะนี้หมายถึงการครอบงำนั่นเองการครอบงำก็หมายถึงชาญทั้งหลายอย่างข้อหนึ่งคือหมายถึงว่าผู้หนึ่งคือในในจานวนผู้เจริญชาญทั้งหลายนีว่า มีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพันธ์ดีและผิวพันธ์ซามครอบงมรูปเหล่านั้นแล้วมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตัะนัข้อที่หนึ่งะอันนี้หมายถึงคนที่เขาเจริญฌานเนี่ยนะเจริญฌานโดยที่พิจารณาร่างกายของตัวเองคำว่าเหต สำคัญในรูปภายในเนี่ยหมายถึงพิจารณาเช่นผมขนเทฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตพังผืดพวกเนี่ยเจริญพวกนี้มากๆนี่นะแล้วก็ปรารพภายในเนี่ยโดยกะสินทั้งหลายเช่นพิจารณาสีเขียวที่มีอยู่ในร่างกายนะนีละเนี่ยก็คือพวกผมพวกดีหรือว่าดวงตาในส่วนที่มันเขียวออกดำๆอ่ะนะก็อันนั้นก็เป็นนีลกสิน ส่วนปีตะกศินในร่างกายก็คือเช่นมันข้นหรือว่าผิวหนังหลังมือหลังเท้าเนี่ยนะตัวนี้ก็จะออกเหลืองๆหน่อยหลังหรือฝ่ามือกันไหมนู้นะเหลืองๆเนียตรงฝ่าฝ่ามือมากกว่าที่มันเหลืองๆกันนี่ปีตะเนี่ยเหลืองในร่างกายเนี่ยส่วนไหนที่มันนึงเหลืองบ้างอันนะแล้วก็โลหิตะสีแดงสีแดงก็คือพวกเนื้อเลือดหรือว่าพวกสีแดงของดวงตาเนี่ยนะ พวกนี้ก็เป็นกระสินสีแดงที่สามารถพิจารณาได้ในกายนี้หรือว่าโอทาตะสีขาวสีขาวที่ไหนกระดูกที่กระดูกก็ขาวฟันหรือว่าเล็บหรือว่าสีขาวของดวงตานะคือตาขาวนั่นแหละแล้วก็ในทั้งหมดเหล่านี้สามารถพิจารณาโดยวันน้ะกกระสินได้แต่กระสิน ท, ที่อยู่ภายในร่างกายตัวเองแบบนี้จะไม่บริสุทธิ์ใช่ มันเขียวก็ไม่ใช่เขียวแท้ๆเลยนะเขียวบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เหลืองแท้ก็ไม่ใช่แดงแท้ก็สีเลือดแดงแดงแท้ไหมเลือดเนี่ยแดงไม่ค่อยแท้นะสีเหลืองก็เหลืองไม่ค่อยแท้สีขาวก็ขาวไม่ค่อยแท่กระดูกสีขาวก็ขาวไม่ค่อยแท่ฟันนี่มันขาวก็ไม่ค่อยแท้เท่าไหร่หลังเล็บก็ไม่ไม่ได้ขาวแท้อะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากระสินภายในร่างกายนี่จึงไม่บริสุทธิ์ แต่พวกนี้มีข้อดีว่าผู้ที่เจริญกสินภายในร่างกายก่อนก็เบื้องต้นก็อย่างน้อยก็สระางัสรงังภัณระชัันราคาได้เยอะนแะแต่ว่าเขามีอัธยาศัยที่จะต่อด้วยกสินเพราะฉะนั้นก็พวกนี้เรียกว่ามีสความสำคัญในรูปภายในก็คือพิจารณาร่างกายเนี่ยภายในแล้วเห็นรูปภายนอกคำว่าเห็นรูปภายนอกคือเห็นกสินภายนอกคือหมายว่าบริกรรมภายในเนี่ยมาก ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนะี่ยบริกรรมอย่างนี้มากแต่ว่าภาพกสินข้างนอกมันปรากฏเพราะะฉนั้นก็ได้ว่าบริสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกวันณะกสินภายนอกปรากฏคือสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงภายนอกปรากฏขึ้นนิมิตอันเนี้เกิดจากข้างนอกหรือว่ า, าธาตุกสินเนี่ยนะาธาตุกสินก็คืออะไรบ้าง ปฐวีอาปโปเตโชและวาโยกสินเนี่ยปรากฏจากข้างนอกอันนี้เรียกว่าสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกแต่เป็นรูปที่เล็กเป็นวรรณกสินที่เล็กที่ไม่ได้ขยาย น, นะทั้งสีสีของวันณกสินดีกับไม่ค่อยดี น, นะเรียกว่าผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามก็ครอบงามรูปอันนั้นแล้วเข้าชานได้เลยเรียกว่าพีนิมิตนั้นเกิดขึ้นเข้าชานได้เลยอันนี้ก็ ข้อหนึ่งเนี่ยชานหนึ่งถึงสี่เลยนะเข้าสามารถเข้าชานที่หนึ่งถึงชานที่สีเลยอภิพภายตระนข้อนี้แล้วก็สรุปง่ายๆว่าเจริญกรรมฐ า, านในร่างกายภายในแล้วต่อได้ด้วยกระสินนั่นแหละต่อได้ด้วยกระสินเข้าเข้าชานได้ด้วยวันะกระสินส่วนข้อสองบอกว่าผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ ก็ต่างจากข้อแรกข้อแรกเป็นเล็กใช่ไหมข้อที่2บอกเป็นเป็นกสินที่ใหญ่หมายถึงกสินที่ขยายแล้วปัทวีที่ขยายแล้วอาโปโตเตโชวายโยที่ขยายแล้วแต่จริงๆอ่ะเบื้องแรกอ่ะพิจารณากระร่างกายภายในก่อนเจริญพิจารอาการสาภายในอ่ะนะแต่ว่าได้กสินข้างนอกกสินข้างนอกข้อหนึ่งก็เป็นกสินที่เล็กข้อสองก็เป็นกสินที่ใหญ่ผิวพันธุ์ดีและผิวพันธุ์สาม บอกว่าพวกผิวพรรณดีนะเหมาะกับพวกโทสะจริตพวกโทสะจริตนี่ต้องสีดีๆหน่อยสีสวยๆหน่อยนะจึงจะดูดี D. แต่ถ้าพวกราคาจริตนะพวนี้ต้องพวกสีที่ไม่ดีพวกผิวพรรณซานะให้พิจารณาสีประเภทนั้นมันออกเศร้าหมองนินดๆดีดันพวกนี้ก็สา ม, มารถที่จะครอบงามอารมณ์เหล่านั้นแล้วเข้าฌานได้เลยอันนี้ก็ฌานหนึ่งถึงสี่เหมือนกันคือกระสินของแต่ละท่านเนี่ยบางท่านขยายใหญ่มากบางท่านขยายไม่ค่อยใหญ่ ส่วนข้อสามข้อสมนี้หมายถึงผู้ที่สำคัญในอารูปภายในอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้พิจารณาการสามสิบสองอะไรเลยไม่ได้เจริญสังขารพิจารณากายภายในพวกนี้ก็เจริญกสินภายนอกไปเลยพิจารณากสินภายนอกทั้งที่ที่เล็ ก, กอะ น, นะมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซา ม, มครอบงามรูปเหล่านั้นก็มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้ก็เป็นอภยยิพาญตนะข้อที่สา นนะส่วนข้อที่สี่พวกนี้ก็ไม่เจริญกรรมฐานภายในเหมือนกันก็ปรารบกรสินข้างนอกแต่เป็นกสินที่ใหญ่คือกสินที่ขยายแล้วแล้วก็สามารถเข้าฌานได้นั่นเนนองอารูปภายในแปลว่าไม่ได้พิจารณากกรรมฐานข้างในคือไม่ได้เจริญผมผลเล็บฟันหนังเป็นต้นข้างในเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้พิจารณารูป พนันก็เท่ากับมีอารูปอ่ะนะคือไม่ได้พิจารณารูปนั่นเองก็คือมีแต่นามอ่ะนะภายในมีแต่นามที่ที่ไปคิดเรื่องกรรมฐานันะข้อหนึ่งข้อสองปรารบรูปภายในคือพิจารณากรรมฐานภายในร่างกายข้อสามข้อสี่ไม่ได้พิจารณาสังขารภายในร่างกายอย่างนั้นแต่พวกนี้ก็สามารถเข้าชานได้ทั้งหมดนะเพราะว่าอารมณ์นี้อารมณ์ที่เข้าชานนี่เป็นอารมณ์ภายนอก เป็นนิมิต ท, ที่ที่ปรากฏเกิดขึ้นนิมิต ท, ทีป่ปรากฏเกิดขึ้นทั้งที่นิมิตใหญ่นิมิตเล็กนะทั้งผิวดีผิวไม่ดีวันนี้เข้าชามถึงสี่ฌานได้หมดเลยนะข้อหนึ่งถึงข้อสี่หรือเอาว่าข้อหนึ่งถึงข้อ8ดเนี่ยเท่ากับผู้ชามสี่ทั้งนั้นเลยทุกข้อได้ชามสี่หมดเลยนะส่วนข้อห้าผู้ที่มีความสําคัญในอารูปภายในเห็นอารูปภายนอกอันเขียว มีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีสีเขียวก็อุปมาณเหมือนดอกกับผักตบอันเขียวเนี่ยนะมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวหรือว่าผ้าที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทั้งสองเกลี้ยงอันเขียวมีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวแม่ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวันนาเขียวเขียวล้วนมีรัศมีเขียวก็ฉะนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นแล้วมีความสําคัญว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนาข้อที่ห้าอันนี้ก็คือพวกเจริญกสินสีเขียวนั่นเองอนะไม่ได้เจริญพิจารณาการสาบสองอะไรหรอกเอาเช่นเอาภาพเอาเอาผ้าเคขาวๆสีผ้าเขาวๆมาตั้งอนะันนั้นแล้วทาสีเขียวในเส้นเท่าไรนะเหมืนครบสีนิ้วนะ ทาสีเขียวให้มันดีแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิจารณางามงามงามเนี่ยนะสำคัญว่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวยนั่นนะ<ก>ทอง<ช>จนได้เกิดบริกรรมนิมิตอุกหานิมิตแล้วก็อะไรอีกปฏิภาคานิมิตแล้วก็เข้าฌานเพราะฉะนั้นข้อห้านี้เข้าได้ฌานสีเหมือนกันนะสีเขียวนี่ได้ฌานหนึ่งถึงสี่เลยนะพวกนี้ก็เป็นวันณกสินนั่นเองอาจารย์ทั้งหมเนี่ยคำ ว, ว่าเรารู้เราเห็นเนี่ย ก็พูดถึงคนเข้าเข้าชาญได้นะครับเข้าเข้าชาญได้อาศัยว่าเข้าชาญคือมีความสามารถในการเข้าชาญนั่นเองอ๋อไม่เหมือนนั่นนะชานาติปัสสตินะรู้เห็นรู้เห็นนั้นหมายถึงโดยมากทั่วทไปขอบเขตหมายถึงทั้งสมถะวิปัสสนารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมด แต่นี้หมายถึงว่าเขารู้รู้เห็นแบบสามารถเข้าชานได้ในสิ่งนั้นนะนะประรออะไรขึ้นมาเข้าชานได้ว่าแต่ทีนี้อย่างข้อห้านี่ก็คือเขาพิเศษคือเขาได้นีละกะสินสีเขียวเนี่ยนะข้อห้าเป็นนีละกะสินส่วนข้อหก็ปีตักปีตะกะกะสินก็คือสีเหลืองเขาสามารถเจริญชานสีเหลืองได้ชานสีได้ ส่วนข้อเจ็ดก็สีแดงข้อแปดก็สีขาวอันนั้ก็ข้อห้าหกเจ็ดเนี้ยแปดเนี้ยเป็นวันนกสินนะเป็นวันนกสินทั้ัก็ผ่านนี่ของเราก็หวังว่าเดี๋ยวรอคุณบรชูไปเจริญนะ้วมาเล่าให้ฟังดูกขสนใจเรื่องศินอยู่เหมือนกันนิมิตหายยันเลยนะะเจริญสีขาวไม่ใช่ ในร่างกายเนี่ยข้อหนึ่งข้อสองเท่านั้นแหละที่เรียกว่ามีรูปภายในที่เหลือเนี่ยเป็นพิจารณาภายนอกหมดนะเงื่อนไขก็วันณะก็สีไงวันณะแปลว่าสีนะก็เอาสีคือตามเงื่อนไขนะเอาสีขาวมาอย่างพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะนั่งอยู่ในวังอะ่ะพอนั่งปั๊บก็พิจารณากําแพงกําแพงห้องอะนะห้องที่เขาทาสีขาวอะ่ะพิจานาแล้วแกเข้าฌานได้อะ่ะ พระราชาพระ อ, องค์หนึ่งเนี่ยอยู่ในวังเนี่ยแต่ว่าเป็นพระราชาเป็นคนดีอยู่แล้วนะเป็นประเภทอดีตชาติสุดท้ายหรือเป็นพวกพระโพธิสัตว์อยู่แล้วเนี่ยนั่งดูสีขาวแล้วเข้าฌานได้นะฝาห้องนั่นแหละมาเด็ดไปที่ไหนหรอกนั่งดูฝาห้องแล้วได้ฌานนั่น <c oughs> แหละแปลว่าเข้าได้นะ <c oughs> เข้าฌานได้ คูกคู้คู่ข้าวจางเนี่ยเขาเขาจะรู้ถ้าไม่ได้เรียนปริญญาเนี่ยเขาจะรู้ความสารจางานนว่าจางผสมมะจางเมือตีจางเมื่อตีจางเมื่อตีาต้องรู้ว่าใครด้วยนะครับคําถามนี้ตอบยากมากเขาจะรู้ไหมเนะี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าใครผู้้เขาาชญนีคือผู้เข้าชาญเนี่ยคําว่ารู้รู้อะไรรู้ รู้ว่าตัวเองได้ฌานแค่ไหนได้ฌานแค่ไหนปาราฌานแไหนปฐมฌานเนี้ยก็มีบางพวกได้ฌานนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ฌานก็มีนะนะตามในในเนี่ยนะพวกนอกพวกทั่วทัไปนะพวกนอกพวกอะไรเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็ควรจะรู้คือเพราะว่าฌานก็ต้องมีปัญญาคือเอเเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านี้เรียกว่าฌานแต่ถามว่ารู้ว่าได้ไหมรู้แต่ว่าไม่รู้ว่านี้เรียกว่าฌาน อันนะันัยยะนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็พูดถึงอยู่คือพวกที่ได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ะไอพวกที่ไม่ได้สําคัญว่าได้ก็มีนะเขาก็มีลักษณะนั้น<อ>ไปนนมีทั้งสองอย่างแต่ทีนี้ว่าอย่างอย่างลักษณะคํำถามก็คือว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วไปเอาคนที่ไหนม า, มานั่งคิดดูไว้เขารู้หรือเขาไม่รู้อย่างนี้นะมันมันไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปวิจารณ์ในลักษณะนั้น ก็ไม่เห็นจะต้องไปตั้งข้อสงสัยว่าคนอื่นเขาจะรู้หรือเปล่าใช่ก็ตัวเราเองเท่านั้นไม่ใช่เราจะรู้ใช่แต่นี้เป็นคําถามที่ว่าเออเนี่ยคนที่เขาไม่รู้นี่เขาจะได้ไหมอะไรไหมเนี่ยนะก็เรื่องของเข้าไปนะเพราะมันเป็นลักษณะจะให้ตอบแทนเขามันปัญหาชวนอุทจฉามากถาตามแนวปริยัตแนวปริยัติก็อย่างบอกว่าคืออย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าพวกที่รู้ว่าตัวเองได้ฌานก็มีคือตัวจริงๆอะได้ฌาน แต่ไม่รู้ว่านี้เรียกว่าฌานอย่างนี้ก็มีส่วนที่ไม่ได้ฌานหรอกแต่สําคัญว่าตัวเองได้ฌานก็มีแต่ทีนี้ถามว่าไอ้คำว่าปริยัตินี่ขอบเขตแค่ไหนเราก็ไม่ทราบเพราะว่าพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้ฌานอยู่เกือบทุกชาติที่ออกบวชอย่างงี้ยเพราะรู้ว่าในคัมภีร์ของเขาเขก็สอนเรื่องฌานอยู่แล้วอยซึ่งรายละเอียดในตรงนั้นเนี่ยไตยวินิจฉัยตามค่อนข้างยาก ก็ได้ชานอ่ะนะเ<ช>กิดเป็นโฟมอ่ะสติสาทุกนะเห็นฟันนะขอให้เข้าชานเลยใช่ไห ม, มเห็นฟันนะขออันนี้เห็นผมเนี่ยเอาสีเขียวเอเราเข้านีแลวกระสินได้เลยได้ไหมล่ะเห็นผิวหนังปั๊บเออเข้าสีเหลืองปีตะกกระสินได้เลยอ๋อ เาก็เห็นตั้งเขามาดีแล้วก็ว่าตามไปงั้นนะถ้าถ้าเป็นอย่างของเราเราอ่ะนะขนาดศึกษามาอย่างนี้พอรู้รู้ยังทำยากเลยนะถ้าถ้าตั้งคำถามถ้าจะให้ตอบให้ตรงประเด็นเลยก็คือเนี่ยขนาดรู้ ร, รู้ยังทำไม่ค่อยจะได้เลยไม่จำพวกถึงพวกไม่รู้งั้นเดอเอาแบบยุคนี้นะธรรมดาธรรมดาเนี่ย ขนาดไปเจริญจริงๆอย่างคุณมุนชูว่านะไม่รู้ก็นิมิตมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะสมมตราสีขาวสีขาวท่องโอทาตะโอทาตะเดี๋ยวคิดเรื่องแล้ววันนี้จะไปไหนดีวะคนโน้นเขาจะมาเยี่ยมเราหรือเราจะไปเยี่ยมคนโน้นหรือเปล่านะโอ้ยเลิกไปตั้งนานแล้วะลนะ <c oughs> นันก็แปลว่าแค่คิดถึงกสินเนี่ยวันหนึ่งยังยากเลยนะไม่จํากล่าวต้องให้นิมิตมันปรากฏและขยายนิมิตยอดนิมิต จนถึงกับนิมิตที่เรียวกว่าปฏิภาคมันโผล่ขึ้นมาโอ้โหได้เป็นต่อชาเนี่ยะเรื่องยาวเนี่ยนะก็มันอุทีนะมันเข้าไปตั้งนานแล้วมันกึื่นหลับกลื่งตื่นไปแล้วตอนนั้นอนะ่ะท่องท่องไปแล้วก็หลับไปตั้งนานนะถ้าเอาตาแบบเอากระจกมาดูตานะสายตามันกลิ้งไม่รู้จะกลิ้งลงหรือเกลือกลงคือภพปกติเราอะไรไหม เจริญไอ้แบบนั้นมาค่อนข้างนานที่นึกว่ามันดีอย่าง<ป>นีเพราะจริงจริงนะเพื่อที่เจริญกรรมฐานแบบนี้ของมารู้เพราะพวกนี้เจริญแบบนี้มานา น, บบ น, นคือนั่งทําตัวให้มันเหมือนกับไม่ค่อยรับรู้อะไรนะแปลว่าวนั่งเฉยเฉยไม่ต้องสนใจอะไรคือเจริญแบบนี้นึกว่าอย่างนั้นมันดีไงเพราะของมาก็ไปเจริญแบบนั้นมาเพราะ น, นันก็นั่งนั่งคือเจริญไปก็ไม่ต้องคือพอกําหนดเช่นกําหนดลมไปใช่ไหมพอกำหนดไประดับหนึ่งก็ไม่ต้องกําหนดอะไรแล้วก็อยู่เฉยเฉงนั้นไะ แล้วแต่มันจะอยู่ได้นานหรือไม่นา น, นะ น, น, นก็นึกว่าโอ้โหแจ๋วแล้วยังงี้ดีจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่กรรมฐานด้วยนั่นนะ่ะตอนอย่างนั้นไม่ใช่กรรมฐานนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันอยากคิดอะไรก็พอจะคิดได้แล้วก็มันก็ผิดหลักกรรมฐานด้วยกรรมฐานจะต้องมีอารมณ์มีนิมิตของกรรมฐาน น, น, นั้นอยู่ตลอดถ้าเป็นกสินก็ต้องนิมิตกสินมีอยู่ ถ้าเป็นเมตตาก็ต้องเป็นไปกับเมตตาตลอดถ้าเป็นอนาปานะก็ต้องอยู่กับลมเนี่ยนะที่แล้วก็เป็นนิมิตที่เกิดจากลมมันต้องอยู่กับนิมิตแบบนั้นแต่นี่มันอยเราแบบว่านั่งแบบมันพอแบบสงบสงบนะสบายๆแล้วก็นั่งเพลินเพลินเฉย ๆ, ๆไปอย่างนั้นแหละก็ว่าตามภาษาธรรมะเราก็ว่าเจริญโมหะนะเจริญเฉยๆอ่ะนะหรือไม่ก็โลภะแบบวิบยุตนะิธรร แต่ถ้าไปสําคัญมา น, นั่นเป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงด้วยนะั้นเต็มที่ติฆตาสัมปยุต ต, ต่อไปอีกแล้ว น, นะพันก็ไอพันในข้อปฏิบัติของเราอะนะใช้เฉยเนี่ยไม่มีมีแต่เรียกว่ารอบรู้ในสิ่งนั้นแล้ววางเฉยได้ถ้าอย่างเนี่ยมีไอวางเฉยแปลว่าไม่ถือโดยปฏิฆะและไม่ถือโดยสุภนิมิตแต่ว่ารอบรู้อารมณ์นั้นอย่างดีนั่นหมายความต้องรู้แล้ว ใช่ถึงจะไปวางเฉยได้ใช่สําคัญไปยังไม่ได้รู้เราจะไปวางเฉยเข<อ> า, าก็เห็นเขาว่าเขาเฉยเราก็เฉยบ้างนะก็หลับน่ยก็ไม่แหละนั่งใช้เฉยเนี่ยนะจะว่ามันก็ไม่ใช่หลับอ่ะนะแต่พอพอนั่งไปนะั่ะมันจะสงบใช่ไหมร่างกายมันสงบหมดเลยเนี่ยนะนะสงบแต่ว่าไม่อยากคิดนั่งใช้เฉยมันไม่รู้เรื่องครับเออมันไม่รู้เรื่องไม่อยากคิดอะไร ไม่ย็นไม่เยคืออันนี้เป็นเนี่ยนะของมาก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรแต่ตามทางภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปัสสัทธิเท่านั้นเองมันสงบแบบคือปัสสัทธิเนี้ยนะก็พื้นฐานจากว่าไม่กวนกวายถ้ากล่าวตามหลักก็คือเป็นผลมาจากศีลดีนั่นเองเป็นผลที่ไม่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างใดยอย่างหนึ่งมาแล้วก็ทําให้ปัสสัทธิเกิดแต่ว่า อันนั้นอ่ะเมื่อได้ปสัสสทิอันนั้นต้องมาปรารบกรรมฐานต่อจึงจะถูกนะนะก็มาปรารบกรรมฐานอย่างใบอย่างหนึ่งเมื่อเมื่อได้ความสงบอันนั้นแล้วนะนะแล้วในความสงบอันนั้นถ้าถ้ากล่าวตามหลักก็คือเป็นผลพวงของกายวาจาที่ดีเท่านั้นเองนะเป็นเป็นเครียกว่าไม่ได้ไม่ได้เล่าร้อนนะนะเพราะเพราะไปร่วงความชั่วทางกายทางวาจามาให้ให้มันสงบบคนที่เดือดร้อนทางกายมาจะสงบแบบนั้นไม่ได้ คือมันก็เป็นผลของการเจริญกุศลธรรมอย่างดีมาแล้วระดับหนึ่งอ่ะนะแต่ว่ามันไม่พอที่จะเจริญที่เรียกว่าสมถะต่อไปนั้นก็อันนั้นก็ต้องไปปรารบอารมณ์ของสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเช่นจะปรารบเมตตาหรืออะไรก่็ว่าไปหรือจะเอาอนาปาก็ให้มันเป็นอานาปา่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปอ่ะนะไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่เฉยๆแค่นั้นก็พอไม่พอเนี่ยนะ ดังนั้นการศึกษากรรมฐานมาก่อนหน้านี้จะต้องดีนะมาจะได้เจริญกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยนะหลังจากที่คือร่างกายเนี่ยเบาหมดแล้วเนี่ยนะร่างกายเนี่ยเบาไม่กระวนกวายใจก็เบาไม่กระวนกวยอะไรเนี่ยนะส่วนที่เหลือเมื่อได้แบบนั้นแล้วจะไปเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ว่าไปแต่ว่ามันจะน้อมไปเจริญสมถะวิปัสสนาก็ไม่ง่ายนะักเพราะว่าไอแบบนั้นมันก็ดีนะ คื อ, คอจิตมันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมเออก็นั่งดีเหมือนกันใช้เฉยดีเห็นไหมไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะก็ใช้เฉยดีไม่ต้องไปเจริญสมถวิปัสสนาให้มันเหนื่อยอะไรคือคือก็ไอ้สมถวิปัสสนาตามที่เราศึกษากันก็คือต้องมีคําสอนนําหน้าใช่ไหมแล้วค่อยตารบสมถวิปัสสนานั้นๆแต่ถ้าเฉยแบบที่ว่ามันไม่อยากคิดคําสอนอะไรก็ไม่อยากคิดจะนั่งอยู่เฉยเฉนั่นแหละนั่งรอเออเนี่ยตั้งไว้จะหมดกี่ชั่วโมงก็ว่าไปกี่ชั่วโมงไปเท่านั้น มันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรทีนี้วันไหนที่มันนั่งเฉยแบบนั้นไม่ได้ก็เดือดร้อนอีกจริงมันก็สงบดีก็มันก็ไม่กวนกยแบบทั่วไปเนี่ยนะแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ถามว่าถ้าประโยชน์มีก็คือมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่าโอมามะนะเหมือนกับว่าตื่นนอนใหม่ๆที่หลับดีเนี่ยนะกับแบบ ธรรมดาแบบค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดไหนดีกว่ากันถ้าจะเจริญอย่างอื่นต่อไปอ่ะนก็แบบนั้นก็คือมันสงบจากความเร่าร้อนทั่วๆไปที่นี้ที่นี้แค่นั้นที่ว่า ด, ดีแล้วเป็นความต้องการคือตามปริยัติต้องการหรือเปล่า ปริยัติก็สอนไว้เพื่อให้จะได้เป็นบาตในการเจริญอย่างอื่นต่อไปแต่ถ้าเราจะเอาบาตที่เป็นเรื่องของการป็นบาตตลอดไปแล้วก็ไม่ใช่แต่ทีนี้ว่าอย่างที่กล่าวที่จังเกสอนถามเมื่อกี้ว่าถ้าผู้ที่เจริญไปอย่างเนี้ยนะมันก็ติดแบบนั้นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะติดมาไอ้ติดแบบนี้จะต้องบอกว่าอันนี้เป็นบาตนะเพราะว่าตามที่เราศึกษาใช่ศีลนํามาซึ่งความไม่ เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนนำมาซึ่งปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปัสสัิ thi นะก็นั่นแหละเป็นปัสสัต t h แต่ปัสสัต t h ก็นำมาซึ่งความสุขสุขต้องนำมาซึ่งสมาธิไอสมาธิอันนั้นจริงจะเป็นสมถะอนี้นะสมถะจริงจะเป็นบาศของวิปัสสนาต่อไปอีกหรือว่าไอปัสสัต t h อันนั้นน่ะ น, น้อมไปเพื่อจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ แต่ว่าไม่ควรไปหยุดอยู่แค่ไอเฉยๆแบบนั้นอ้เฉยแบบนั้นเนี่ยพอไปอีกระยะหนึ่งมันก็เท่ากับว่าเท่ากับเจริญโมหะเนี่ยละแล้วเฉยแบบนั้นนะต้องรู้นะถ้าไม่รู้ว่าเฉยแล้วก็มันก็ไปเลยแนะ่ะแต่ถ้าหากว่ารู้ว่ามันเฉยๆนะสติเราต้องรู้ก็ต้องเป็นจิตตานุภาเมื่อเมื่อเมื่อรู้อย่างนั้นนะฮะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วการที่เราจะ วิจัยธรรมะหรือว่าเราจะพิจารณาธรรมะอะไรต่อไปเนี่ยมันเป็นไปได้คืออันตรงนั้นเนี่ยที่ที่เรียกว่าการศึกษามาเนี่ยต้องดีเนี่ยนะปริญญาต้องต้องดีมากเพราะว่าพอไปโดยทั่วๆั่วไปนะพอไปสงบไปเท่านั้นแบบนั้นน่ยนะหรือว่าสบายแบบนั้นก็จะคิดว่าเนี่ยดีแล้วเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยนะบางเจ้าไปใส่ชานให้เสอีกเนี่ยนะเออนั่นแหละชานละ ซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่วิปัสนุไม่ใช่สมถะไม่ใช่อะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าแบบคือมือพูดตรงๆเลยอ่ะคนไม่มีความผิดอะไรแล้วนั่งแบบนั่งพักผ่อนสบายๆได้อ่ะเหมือนคนแบบนั้นอ่ะนะเช่นเพ่นแบบแบบไม่มีภารกิจไม่ได้ติดต่อกับใครไม่ได้อะไรกับใครเลยแล้วนั่งอยู่แล้วมันสบายอ่ะแค่นี้มันได้เท่ากับเท่านี้จริงๆ มันเป็นผลของของการศีลดีอะนะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเท่าที่กล่าวเนี่ยเป็นอะไรเป็นอ น, นิสงค์ของศีลนี่ยนะเป็นเป็นเป็นผลอย่างหนึ่งของศีลพิจารณาอย่างนั้นนะอย่าได้ไปถามว่ามันเป็นอะไรอือย่าถามเลยอย่าไปถามว่ามันอันนั้นเป็นให้มากเหรออันนี้เป็นศรัทธาเหรออันนี้เป็นไม่ต้องไปถามก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นผลของของคนที่ที่กายวาจาไม่มีปัญหา เนี่ยนะคือปกตินะผลที่ที่ทำได้อย่างที่กล่าวไปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยแค่ศีลดีนะไม่ไปว่าใครไม่ไปตำหนีใครรักษากุศลศีลดีแล้วก็ไม่มีปริพภทไม่มีกังวล น, นะมันก็ได้แล้วอันเนี้ยแค่เนี้ยนะมันก็ได้แล้วแต่ทีนี้ถามว่าประโยชน์ของการความสงบแบบนี้เพื่ออะไรมันก็บอกว่าเพื่อสุขนะสุขเพื่ออะไรเพื่อสมาธิ สมาธิเพื่ออะไรเพื่อรู้เห็นตามเป็นจริงเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่านี้ทุกนะนี้สมุทัยเนี่ยนะนนะซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ไม่เดือดร้อนทางกายวาจาอาชีพหรือเท่ากับศีลดีเนี่ยผลอันนี้ต้องได้อยู่แล้วอนะนคือว่า <ผล S 1> เป็นเป็นผลของศีลเหมือนกันเถอะเป็นผลของศีลเป็นผลปล่อยได้เจอป่ะที่มาจากศีลดีเนี่ยนะแล้วเบสแตกการเจริญอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่ใช่ว่าจะจะเอาแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหาว่าเมื่อเป็นถึง จ, จุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะไอที่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยนะนะความอยากรู้ความใคร่ที่จะรู้แม้แต่ว่าลมหายใจออกเที่ยวเดี ย, ยังต้องพิจารณาอยังต้องพิจารณาเลยครับว่าลมหายใจออกเที่ยวเดียวเนี่ยต้องจับให้ได้เลยนะถ้าก็ไ อ, ไอตัวกรรมฐานที่ที่จะต้องต่อจากนั้นเนี่ยอันนี้ต้องศึกษาให้ชัดไง ะพื้นฐานถ้าเรียกว่าพอสงบอันนั้นเกิดนะจะเจริญกรรมฐานไหนก็ต้องศึกษากรรมฐานนั้นให้ดีให้ดีตั้งแต่แรกนะแล้วตัวจะเป็นตัวฉันทะหรือจะเป็นตัวตัวปราโมทหรือตัวปิติอะไรเนี่ยนะแล้วมันจะค่อยจะจะรู้เองผมจะบอกว่าเออไออันนี้ไหนๆก็คุยกันแล้วนะะที่ท่านบอกว่าเ ม, เมื่อเมื่อจิตสงบแล้วนะดั่งมั่นแล้วนี่ยนะ แต่ผมไม่ไม่ได้เท็จขนาดนั้นนะจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเออเนี่มันเป็นคํากล่าวที่ที่ที่ถูกต้องที่สุดแม้แต่เราเฉียนเฉียนแนละ้รว่าเออมันก็มันก็ยังพอเคยยังยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะนะว่ายอมรับว่าเป็นอย่างนั้น